เต็มัวทำวัดเย็นเบื้องต้นเราเกล่าวคำบูชาพระธนทรยัยแล้วก็ไปหนาสอง้อยยีสิบต่อพุทธศาสนาสุภาษิตอรหังสมมาสมุโทโธภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจา้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิน้นเชิงตร่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองูุทังปะควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจา้า ผู้รูวผู้ตื่นผู้เบิกบานกลาสวนขา น, านตุนผงขวันตานรำมนทำพรานทำเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทั้มังนัสามี ข้าบาเจ้านามสการพระธรรมกรสุปฏิปโนมพราขาวโตนสวาวกสังค ו พระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนามมี ข้าพเจ้านอมน้อมพระสมกรบเปิดหนังสือไปหน้าสองยสบนำขึ้นมาทัศที่สเกี่ยวกับการคบหานชัฏ จ, จาวัสโรโหตินาะชัฏ จ, จาโหติพระ ม, มโนกรมมนาวัสรโหโติกรมมนาโหติพระ ม, มโน บุคคลจะเป็นคนเลวหรือประเสริฐเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่แต่เป็นคนเลวก็เพราะการกระทําเป็นผู้ประเสราาิฐก็เพราะการกระทํยายะสาสะพระมจจาลิสุขาลโวนุปรภติอาระพาโหติสัตถมานะพังปะทาวิยาญยา ผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนสัพรมจารีผู้นั้นย่อมห่างจากพระธรร ม, มเหมือนฟ้ากับดินฉะ น, นั้นสะเทนะจาเปสะเลนะจาปัญญาวัตต า, าหุสุเตนาจาะจ้าสาขิตังหิหิกรายะปัิโตภะโทสพปุริเซหิสังขโม ปันดิดพึงทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธามีศีลเป็นที่รักมีปัญญาและเป็นพระหูสุดเพราะการสมาคมกับคนดีเป็นความเจริญผู้ติมัชฌังกุสักเคนายโนโรอุปนยัยหตี กูซาปิปุติวายันติเอวังพารุประเสวนาะนอนรชนหอปลาเน่าด้วยใบยาคาแม่ยากาก็พลอยหมิ่นไปด้วยฉันใดการท่องเสพกับคนผ่านก็ฉันนั้นนี่ที่นังว่าปวัน ต, ตารังยังปะเสวะชทัาสินัง นิคายหาวาทิงเมธาวิงทาดิสังปันนิตังพระเชมทาดิสังพระชมานสะสยโหตินาปาปโยเพิ่งเห็นผู้มีปัญญาผู้ทความผิดไห้คอยว่าเก่าตักเตือน เหมือนผู้ที่บอกผมทราบให้พึงคบกับบุคคลเช่นนั้นเพราะเมื่อคบกับบุคคลเช่นนั้นก็มีแต่ดีไม่มีเลว โคตันโตจะบปโลภิกุมิเตอาคัมมปะปะปเกมสังสีติติมหกัสมิงอุมิยาปติกุชิตุลภิกสูผู้ฟุงซานมีจิตคอนแคนหากอาศัยมิชัวถูกขืนสันย่อมจงลงในแม่น้ำใหญ่ ธรรมกาโมสุตาทารภวัยาปริปุชโกสักจังบริยุปาศยาศิรวันเตพัหุสุเตเึื่องเป็นผู้ใครธรรมรงไว้ซึ่งสุตตาเป็นผู้สอบถามเข้าไปนังไกล้ผู้มีศีลและเป็นผ้าหูสูดโดยเขาร่ม เยมะเชเยชาณปะสตธาธีราเนคขมูปสเมระตาเทวาปิเตสังปิยทยันติสัมพุทธานังสติมตงนักราทั้งหลายผู้ฝากใฟในฌานยินดีในความสงบจากกิเลส มีสติและตัดสู้เองโดยชอบท่านเหล่านี้แม้ถวยเ ท, ทพยบย่อมชื่นชมนาคหาปนาวาเซนาติติกามีสุวิาติอปัสาทาทุขะกามาิติวิญญาญปนิโตแม้เงินตราจรลังมาเหมือนหาฝนหาทำให้ความอยากของคนเต็มเปรีมไม การมารวทั้งหลายให้ความสุขน้อยแต่มีทุกข์มากผู้ฉราดยอมดูแจ้งเรื่องนี้ขาปิทิเพสุกามิสุระติงโซนาธิคัจติ ตัณหากยรัโตโหติสัมมาสัมพุทธะสาวกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมไม่มีความยินดีในกมรมอารมณ์ทั้งหลายแม้ที่เป็นเทียแต่ยอมยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหา ชัยยังเวรังปัสสาวติทุขังเสติปราชิตุลอุปสสันโตสุขังเสติอิตะวาชัยปราชยัยังผู้ชนะยมกเวนผู้แพ้ยมนอนเป็นทวงบุคคลที่ละความชนะและความภายแพ้เสียได้จิตใจยมสงบสุข นันติราคะสมโอคีนันติโทสะสมโอคีนันติขันธสมาทุกขานันติสันติปรังสุ ข, ขังไม่มีไฟใดร้อนแรงเสมอด้วยราคะและโทสะไม่มีทุกใดเสมอด้วยทุกของเบญจคันคไม่มีสุขใดเสมอด้วยสุขในพระนิพพาน ปาวิเวสรังปิตาวารสังอุปสมัสสะจานิทโรโหตินิปาโปรธรรมพิติรสังพิวางบุคคลยอมสิ้นความดิ้นรนและหมดบาปเมื่อได้ลิมรสแห่งความสงา่าได้ลิมรสแห่งพระนิพพานเมื่อได้สำราญในธรรมพิติ สาธุทาสนามาริยานังสันนิวาสุ ส, สัออาทาสุโขอัตตาเนน า, ารานังนิจมิวาสุกิสยาการได้พบพระอริยเจ้าเป็ น, ปนความดีมีสุขสำราญการไม่ได้พบเห็ น, นคนพาลจะสำราญเป็นนิน วิยโตชายเตโสโกรติยาชายาเตพยังรติยาวิปะมุตตะสนติโสโกกุโตพยังที่ใดมีรักก็มักมีโศกที่ใดมีรักก็มักมีกมภัยหากลักความรักเสียได้ความโศกและภัยย่อมไม่มี ศีลธรศาสนาสัมปั น, นังธรรมทั้งสัจจวาตินังอัตโนกรรมกุพานังตัญชโนกุรุเตปิยงผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและปัญญาตั้งอยู่ในธรรมาูสุสจตจิงและทำหน้าที่ของตนจนครบทุกสิ่งยอมเป็นที่รักยิ่งของคนทั่วไป ฉันดาาัจาโตอนาัคาเทมนะสาจพุทโธธิยามกาเมสุภปพิภัตตจิตโตอุทังโสโตติวุจติผู้ไฝ่ในพระนิพพานมีใจได้สัมผัสมากพ้นไม่ติดใจในกามของคนเรียกได้ว่าผู้มีกระแสมุงสู่เบื้องบน ตาเทวะกัตตบพุญยมปีอัสมาโลกะปรังคตางบุญญานิปติขันนั้นที่ปียังญาติวาอาคตางบุญย ม, ญญมตอนรับบุคคลผู้ทำบุญไว้ที่จากโลกนี้ไปเหมือนญาติพี่น้องตอนรับผู้เป็นที่รักซึ่งกลับจากแดนไกล อกโกเทนาจิเนโกทังอาสาธุสาธุนาจิเนชาเนกาธารียังธาเนนาสัจเจนาริกาวาทินางพึงชนะคนโก ด, ด้วยการไม่โกนพึงชนะคนชั่วด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดพล่อยนั้นใายด้วยคำสัจจริง โอราณเมตังอตุระณเมตังอจตนามิวังนินทันติตุนิมาสีนางนินทันติพาหุภานินางนิตาภานิมปินินทันตินัตติโรเกอนินทิตโต อาตุลาเอยเรื่องนี้มีมาตั้งนานแล้วคนอยู่เฉยๆ เ, เขาก็นินทาคนพูดมากเขาก็นินทาคนพูดน้อยเขาก็นินทามไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ไม่ถูกนินทาโสกอหิตที่ปมตะโนกิปังวายมะปัฑิโตภวัน น่าันตมโรอนังคโนทิพังอริยภูมิเมหิเิท่านจงสร้างที่เพื่อให้แก่ตนจงรีบเร่งฝึกฝนตนให้เป็นบันฑิตเมื่อบอริสุทธิ์ปาศจากกิเลสแล้วท่านก็จะเข้าถึงอริยภูมิที่เป็นเทพอนุปเพนเมธาวีทโทกังทโทกังคะเนคะเน กรร ม, มโรราชตาเสวานิทะเมมาร ม, ามัตตโอนผู้มีปัญญาพึงขจัดมนดินของตนที่ร่ำน้อ ย, น, อยน้อยทุกทุกขณะตามลำดบับเหมือนช่างเงินช่างทองขจัดสนิมออกจากเงินทองฉะนั้น อาสัชายามรามันตานุตานามราคารังมารังวันณสโกสัจชังปมาโทรักขโตมรังความเสื่อมของมนตรายอยู่ที่การไม่มันทบทวนความเสื่อมของบ้านเรือนอยู่ที่การไม่รู้จักซ่อมแซมความเสื่อมของผิวพรรณอยู่ที่ความเกียจครา้านตกแต่ง ความเสี่มของผู้รักษาอยู่ที่ความประมานมาติยาทุจริตังมาจารังทัทโตมะรางมาลาเวปาปกาธรมมาสมิงโลกเกปรามิจา ความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีความตระหนีเป็นมนทินของผู้ให้ขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างนั้นใสเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกนา้ตาโตมะลามะล ะ, ละตรรังอวิชาปาระมังมะระเอตังมะระปะตะวา น, านิมมะร า, าโหตภิกขวอน มนทินที่ยิ่งความโง่เขาเป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินคือความโง่อวิชานาวาเป็นมนทินชั้นยอดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงละมนทินนี้แล้วเป็นผู้อย่างผู้ปราศจากมนทินเถิดสุชิวังอิริเนากนากาสุเรนทังสินา ปาคันะนาปะกับเพนะสังกิริเทนชีวิตังคนที่ไรอย่างไาย็เหมือนดังการชอบทำลายคนอื่นรับลังชอบเอาหน้าหวดดีและมีพฤติกรรมสุขภพอชอบอยู่อย่างสบายหิริมาตาจตุชีวังนิจังสุจิเขเวสีนา อาลิเนนะปะกเพนะสุทธาชีเวนะปั ส, สตาส่วนคนที่มีความร้ายใจฝากใฝ่ความบริสุทธิ์เกันนินไม่เกียจคร้านอ่อนน้อมถ่อมตนมีอาชีพบริสุทธิ์และมีปัญญาชอบอยู่อย่างลำบาก ชูตาสังวัจจันเจสังัตโนปนทุตตะสังปเรสังิโสวจานิโอปุนาติยถาภูตัง อาตนโปนปณชาทเทติกริ i n g w a k i t t สทโ a t h ความผิดของคนอื่นเห็นได้ไง่ายแต่ความผิดของตนนั้นเห็นได้ยากคนเรามักเปิดเผยความผิดของคนอื่นเหมือนโปรยแก่ผอกไปแต่ปิดบงังความผิดของตนเองไว้เหมือนนักเลงส ก, กากุ<อ>ซ้อนลูกส ก, กาของตนฉะนั้น ปาราวาชาโนปสิสนิจังอุชานาสัญญนโน อ, อาสวัตาสวัตันติอาราโสอาสวะกยามบุคคลที่เห็นแต่โทษคนอื่นถอยจากผิดเขาเนืองนินยอมมากด้วยอาสวะกกิเลสและห่างไกลจากความสิ้นกิเลสโดยแท้ นาเตนาปันดิโตโตโห ต, ติยาวตาปะหุภาสตีเขมีอเวริอภโยปันดิตโตติปวุจตีรูกคนไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพียงเพราะพูดมากพูดทำตนให้มีใจเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภยัยจึงจะเรียกได้ว่าเป็นบัณฑิต นตตาวตาธรรมะธโรยาวตาภุภาสติโยจ่าปัมปิสุตตวานาธรรมังกาเยเนปัสติสาวธรรมะโรโหติโยธรรมังนปะมะจดิ บุคคลไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเพียงเพราะพูดมากส่วนผู้ใดถึงได้สะดับตรัาฟังน้อยแต่รู้แจ้งสัจธรรมไม่ประมาทในธรรมผู้นั้นแหละเรียกว่าผู้ทรงธรรมนาวาการณามะเตนาวันโปครตายวาน สาธุรูปนโรโหติอิสุกีมัจจิริสะโทคนที่ริสยาตานิเจเลแม้จะพูดกองแควหรือมีผิวพรรณงามก็ไม่ชื่อว่าเป็นคนดียาสัจเจตังสมุจินังมูระกัจจังสมุหะตัง ชาวันตะโทโซเมธาวีสาตุรูปติพุจตีส่วนผู้ที่เลิกกับพืชชั่วอย่างถอนรากถอนโคนเป็นผู้ฉลาดและบริสุทธิ์จึงจะชื่อว่าเป็นคนดี